น, นี้จะอธิบายธรรมะในฝั่นเป็นของที่ควรคิดธรรมะเป็นของควรพิจารณาว่าทั้งเรื่องกิเลสตัวหนึ่งซึ่งเราทั้งหลายทายกันรู้จักกันอยู่เคยได้ยินชื่อมันอยู่ที่เรียกว่ามานตามบาลีพุทธเจ้าท่านตรัเทสนาว่า จิตเตนะวันยิตาตัตามารัตตะพิสเยละต า, าอันเนกชาที่สังสลังกันธาีิสังอันดีอวิดิงสุแปรเนื้อควมในพระคาถาที่ท่านแสดงนั้นวะจิตหลอกลวงสัตว์ทั้งหลาย จึงค่อยยินดีตาวิสัยของมารานว่านะนเอเนกชาวิสังกัลังจึงค่อยเกิดเกิดตาย่ายในท้องสารนับไม่ถ้วนนี่ท่านแสด ง, งเรื่องธรรมะที่อธิบายที่จะอธิบายในวันนี้ ท่นทาวิสังอดีตอวีดิงสุหลงแล้วไปตามวิสัยของมารอันมารมานี่ไปก็รู้จักทุกคน่ะใกล้ๆก็รู้จักมาทุกคนเด็กชื่อขงมาันแต่ยากที่จะรู้จักตัวมาร ท, ทํราไมจึงเรียกว่ามารพูดกันรู้ทุกคนติดก็ติดปากเลยเถ้าทังเรื่องมาร น, นะ ถ้หาห่างก็ยุ่งขึ้นมาแล้วกันมารมากวนจะเข้าวัดตั้งทจำย้ําศิลก็ไม่ได้จะทําการทํางานได้กันลูกๆกันหลานมายุ่งเรเรียกว่ามารต่ทำบุญตนทานอะต่างๆเรื่องคัดคองก็เรียกว่ามารคือเราฟังจะ้เสียงเ พ, งเพงืพ่อนว่าพระเดจจ่าเมื่อจะแต่รู้เป็นพระเดจจ่าต้องไปจนมารเอาจนชนะมารแล้ว จึงก็จะตัดสะดูเป็นผู้ทีเจ้าแล้วก็เลยจับเอาคำนั่นแหละมาพูดกันสิ่งใดที่เป็นเครื่องขัดของหรือจีดขวงไม่ให้เราลุ่งหรือทำคุณงามคุณดีได้เรียกออกมาเข้าขใจง่ายเพียงแค่นี้แต่ในคาถาที่ว่านี้นั้นไม่ได้หมายถึงเรื่องนั้นลึกเข้าไปกว่านั้นอีก ไม่ได้หมายถึงเรื่องคนอื่นคำว่าม า, มานเานี่ยทีนี้จิตเต้นวัน ญ, ญิตาสัตตาจิตหลอกลวงสัตว์แล้วยินดีตามวิสัยของมนันในว่า น, นี้ถ้าว่าจิตเลยจิตหลอกลวงสัตว์เลยคำว่ า, าสัตว์คือมนุษย์สัตว์ทั้งหลายให้เรียกว่า คำว่าสัตว์นี่กันยังไม่ทั้งเข้าใจทั่วถึงทั้งหมดสัตว์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงสัตว์จิไรชานเฉพาะสัตว์จิไรชันเท่านั้นสัตว์นั้นหมายตั้งแต่บรรดาผู้ที่ยังไม่ได้พ้นจากทุกข์ไม่ถึงความกเกษมสุขคือพระนิพพานเรียกว่ายังครองอยู่ในกิเลสทั้งหลายท่านเรียกว่าสัตว์เท่านั้นเดีวยวกันทั้งนั้น รำรว่าสตว์นี้เป็นเราพวกเราพากันดูถูกพวกสัตต่างๆมีสุนัขไอ้เรื่องหัวฝ่ายเป็นต้นเราด่าเขาแล้วพูดทบสตำทับเขาไอ้สัตยเดชชานี่งานนี้เราพูดคนไอเราที่พูดเขาถ้าดหากว่าเราไม่พอใจไหนแล้ว่อพูดสตำทับเขาคนนั้นหรอกไอ้สัตยเดชชานยัยเปรตอะไรทนอ้นั้น ความเป็นจริงตัวเราก็อันที่ไปโกรธเขานี่นตัวสัตว์อี้เนี่ยคือไปคล้องอยู่กับผมโกรธความเกลียดความรักความชังความพอใจไม่พอใจยินดียินร้ายต่วเรายัางมีอยู่เราก็เป็นสัต์เหมือนกันมีเพิ่งเข้าใจธรรมะคำสอนพระเจ้าให้ เ, เข้าใจอย่างนี้ถ้าหากเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราจะได้ระมัดระวังตัวเอง เราจะได้กแก้ไขตนเองเห็นนั้นคำว่าจัตในพระคาถาที่พระพุทธเจ้าตั้งแต่เทศนาไว้ดังอธิบายมา น, นี้นั้นจิตเต็นวันจิตตังจิตตังจิตหลอกลวงสักว์คือตัวเรานี่เองไม่ใช่อื่นไกลคําว่าหลอกลวงอนที่นี่เนี่ยแล้วก็พากันรู้จักแล้วคําว่าหลอกลวง คือให้เข้าใจผิดหลงผิดเช่นเราเป็นหลอกคนให้กลัวผีหรือว่าหลอกคนให้กลัวเสื อ, อทำนองนั้นเราทําให้เสียงหุ้มห่างหุ้มห่าเป็นเหมือนกับเสียงเสือให้เขากลัวเสือทำอะไรนักพร่ำข้ามข้ามให้เขากลัวผีว่าผีหลอกเพราะไม่จริงนั่นเราเป็นคนหลอกให้เขากลัว อันนี้คําว่าหลอกคําว่าลวงลวงสัตว์อ่า น, นี้หลอกกับลวงคล้ายๆกันหลอกจะทําให้เขาตกตกใจลวงนั่คือการให้เขาเข้าใจผิดลวงนั่นให้เขาเข้าใจผิดึเรียกว่าลวงหลอกให้เขาทําให้เขาตกใจลวงให้เข้าใจผิดอย่างมารจิตมันลวงเรา หลอกลวงให้ให้เราเข้าใจผิดคิดผิดหลงผิดผิดยังไงให้เข้าใจผิดว่าดวงของเราเกิดขึ้นมาเป็นทุกข์ก็เลยให้เข้าใจว่าเป็นสุขดวงเราเกิดขึ้นมาเป็นของไเที่ยงให้เข้าใจเป็นของเที่ยงดวงเราเกิดขึ้นมาเป็นของปฏิกูนโสโคร อย่างที่เราพาทันตรวจกันอยูนย่นี่ว่าสติงไายเยเกยสาลออกมาแล้วขาดทางตาตะเจียวเรียกว่าของโตโค้งตรงนั้นเข้าใจว่าตัวของเราโคดสวยโคตงามนี่เข้าใจผิดอย่างนี้มันลวงอย่างนี้ทุกจิตมันลวงให้เข้าใจเป็นของสุขจิตนี่มันเป็นของหลอกลวงเราเองจึงทําให้เราหลงมัวเมาประมาณ ไม่รู้จักจบจักสิ้นจิเลตเรียกว่าจิเลสมานว่าถึงเรื่องมานนั้นท่านแยกหลายๆประเภทขันธ์ฌานคือตัวของเราได้เกิตัวของเรานี่แหละเป็นขันธ์ฌานมานคือมันเบียดเบียดพูดกันง่ายๆว่าเบียดเบียนขันธเบียดเบียนนั่นก็ขีดกันความ เจริญก้าวหน้าหรือทาความสุขความเจริญให้แก่ตนทุกคนต้องการความสุขความสบายแต่เราอาศัยขันอยู่คือรูปกายอันนี้มันไม่ให้ความสุขแก่เราเลยเราจะทะนุทะนอมอารมณ์ํารมณ์เลยโดยประการต่างๆมั่นกองยังแค่นั้นอ่ะต้องแก่ความเท่าความเจ็บความป่วยความไม่อยู่ดีสบายมั่นก็ เข้ามาเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาอันนี้เรียกว่าขันธมารนั่นเบียดเบียนให้เรารเราุกรธสุขเรากได้ความสุขแต่มันมาเหตุเราได้ความสุขเราอยากจะทักษาชินเมตตาภาวนาเดี๋ยวเจ็บป่วยไม่ยูืนสบายเป็นเหตุให้เราคัดขอ้อท่านจะเรียกว่ามารอันนี้เรียกว่าขันธ ม, มารกีเลตมาน ได้แก่กิเลสคือความโรคปวดหลงอย่างอธิบายตะ ก, กี้นี้อยู่ในพวกกิเลสสมานธิอธิบายตะกี้นี้คืออยู่ในพวกกิเลสสมาธิคือว่าจิตหล อ, อกลวงเราให้เราหลงไหลเรื่องประการต่างๆหลงพวกวุกข์อุตหลงของไม่ดีมาเป็นของดีหลงของไม่สวยไม่งาบไปของสวยสวยก็ ง, งามของไม่เที่ยงมาเป็นของเที่ยงอันนี้เรี่ยงเรี่ยงพวกกิเลสเนี่ยกิเลสสมาธ อภิสังขารบลมานเทวบุตรมานเทวบุตรมานนั้นพูดทั้งเรื่องผู้ที่เจริญฌานสมาธิสมบัติผู้ทเจริญฌานสมาธิวัสมบัติโดยมากท่านมีความมุ่งต้องการอยากจะพ้นจากทุกข์แต่ว่าเทวบุตรมานนั้นเครื่องปราชนาสุขจิตมันปราชนาสุขมันเลยเป็นอุปสรรคหรือเป็นขัดเครื่องขัดข้อง ไม่พ้นจากทุกได้เช็นท่านจะเรียกว่ามารเทบุตตมารคืออยากเป็นเทบุตเทวดาที่อยู่ิวสว์ น, นั่นเองย่งได้พวมสุขเลยเป็นมานของมรรคผลนิพพานอันนี้เรียกว่าเทบุตตมารที่สังขารมารปรุงแต่งให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปดีแล้วก็อยากให้ดียิ่งขึ้นไ ป, ว, ไ ป, ไปวิเศษเราอยากให้วิเศษดียิ่งขึ้นไ ป, ไปถ้าพูดทั้งเรื่องธรรมมันสูงสุดแล้วนั้น การปรุงการแต่งไม่มีดีมาถึงวางดีวางชั่วคือไม่มีบาปมีบุญสมกับคิดท่านว่าคุณเนี่ยป่าป่านี่เป็นเติผู้ที่จะพ้นจากโลกได้นั้นละทั้งบุญทั้งบาปกัรว า, างนั้นเพราะฉะนั้นอภิษฐร้าะะมานจรงว่าเป็น เรื่องจีบกันมนนัดผลนิพพานจิตประกอบคนถูกอันนี้ว่าถึงเรื่องมารทั้งธรรมานกิเลสธมานเทพบุตรธรรมานเที่ทั้งคารมานและยังอีกมัดจูมานคือความตายความตายก็จัดเป็นมารอันนีงบางคนต้องการอยากจะมีอายุยืนนานแต่มาความตายมาตัดรอนเสียอันนี้ทั่นจะเรียกว่ามาร พูดกันง่ายๆนั่นเรียกว่ามาร น, นั่นคือเบียดเบียนจีดกันไม่ทําความเจริญงอกงามขึ้นไปได้หรือไม่ให้ได้ตามความมุ่งมา่ปรารถนาที่ตนมุ่งไว้ก็จะเรียกว่ามารอันนี้คืออธิบายมารห่าให้ฟังแพื่เข้าใจให้รู้จักรู้จักชื่อมันแล้ให้รู้จักตัวมันให้รู้จักตัวมาร ที่อาจารย์อธิบายนี้อธิบายเ ย, ยเฉพาะถึงเรื่องกิเลสมาร์ให้เข้ากับคำที่ว่าจิตเตในวันจิตตังจิตตังสัตตามาแล้วจวิเศษีแล้วตาจิตหลอกลวงจัดให้รุ่มหลงแล้วยินดีตามวิสัยพงมารให้รุ่มไหนอะลองคิดดูสิ คนเราเมื่อจิตหลอกลวงนั่งอธิบายมาในเบื้องต้นเข้าใจคิดคิดว่าทุกเป็นสุขอย่างเราทุกอยู่ทุกวันนี้นี่แะเกิดมาเป็นบอ่อเกิดของกองทุกทุกมารวมอยู่ในที่ขันเกิดจากชาติพอชาติเกิดขึ้นมาแล้วมีแต่สเสวยทุกข่ํามไป ทุกข์เพราะแก่ทุกข์เพราะเจ็บไม่อยู่ดีสบายทุกข์เพราะความกระหายหิวโหวยด้วยประการต่างๆทุกข์เพราะความทะเยอทยานดิน้นรนเจือปนด้วยประการต่างๆแต่หากว่าจิตเป็นหลอกแล้วมันเข้าแฉลบเป็นสุขลองคิดดูใครก็เคยถูกคิดหลอกมาแล้วทุกคนอะ พอเกิดขึ้นมาท่านี่แหละเป็นคนน่้วแม่มันดี อ, อกดีใจเป็นหญิงเป็นชายเป็นหนุ่มเป็นสาวดีออกดีใจซะเทุกข์ก็ตนได้ของดีของดีบางคนเมืม่ออยู่ในความมัวเมาของกิเลสคือความไข่ความยินดียินดีคือความไข้นในรูปของตอนยินดีกับลูกบางคนแทนจะกิเลสกีหลายแต่ก่อในความายินดีของตนว่าตนสวยสดงดงามที่สุ ด, ส ด, ส ด, สด คนเรียนตัวตัวไม่ได้อย่างนี้เป็นตนอันนี้เรียกว่ายิ่งใสยินดีแล้วตามวิสัยของมนันคันถ้าหากว่าเรายินดีพอใจในรูปของตนแล้ครับจะยืนจะเดินจะเฮิรนจะไปจะมาที่ไหนที่ไหนก็ดูว่าเขาจะมองเราคนเดียวเห็นเขามองไม่ทราบเขาจะมองใหญ่ดีใงญ่ร้ายกัยไม่ทรา เขาเกียดน้ำหนากว่าจเข้าใจว่าเขาชอบเขารักตอนเยอะจนขนาดนี้เรียกว่ายินดีตามวิสัยเข้ามาเนี่ยมนันจิตมันหลอกจิตมันหลอกหลวงแล้วก็เลยยินดีตามวิสัยเข้ามาท้ ง, งที่ตนเก่ทุกว่นทั้งที่ตนเองก็เจ็บใครได้ป่วยทุกคนทุกทรมานเสวยบาปแต่กันยังยินดีพใจ ในขันธมารคือตัวขันนั่นนี้แล้วยินดีพอใจกับขันธมานอย่างที่บายให้ฟังมาตะกี้นี้ว่าขันหาคือรูปเวทนาสัญญางขันวิญาณนี่เรียกว่าเป็นตัวมานแทนที่จะเห็นโทษภัยและเบื่อหน่ายในแต่ภาพร่างกายที่เกิดขึ้นมาเป็นของไม่ดีไม่งามหรือเป็นของผุกเล็กกลับพอยินดีไปตามอันนี้เรียกว่ายินดีตามวิสัยเข้ามาร อย่างเาร็วตางเข้าไปกว่า น, นั้นอีกความทะเทายอทะยานดิ้นหลนเพราะจิตมันหลอกอยากได้โน่น อ, อยากได้นี่ถ้าหักหลงกายแล้วก็เป็นเรื่องสิ่งที่จะต้องหลอกไปเรื่อยๆไปแล้วยินดีในกายแล้วก็จะต้องหาเรื่องบำรุงบำรเลอกายรักษากายบริหารกายหาเครื่อนตกแต่งให้ทศสวนรดน้ำเดือดประกั้งจาง อนนี้เความที่ทะเยอะทะยานดิ้นรนอาการที่ทะเยอะทะยานดิ้นรนเสือมสนหาของ ม, มรงายนันแทนที่จะเห็นว่าเป็นโทษกับปคอยยินดีซรำว่าเป็นเรื่องสนุกสนานก็ลองคิดดูคนเราที่เกิดขึ้นมาในโลกอันนี้อาชีพทุกวิถีทางที่เราสแสวงหา ทำด้วยความเพลินทำด้วยความดีใจทำด้วยความมัวเมาทุกทุกวิธีทางก็เนื่องจากว่าถูกจิตหลอกจึงได้ยินดีตามวิจัยของมาพระพุทธเจ้าท่านสาเทศททะนาวนธรรมต่างๆที่ท่านเรียกว่าเสนามาณ คือบ่วงของมารและเสนามารคอยดักจับเอาคนเราให้เป็นหลงให้ไปติดอยู่คล้ายๆกัหลงติดกับของวิสัยของมารมันดักอยู่ทางตามันดักอยู่ทางหูมันดักอยู่ทางจมูกทางลิ้นทาง่ายทางใจตานั้นถ้าหากไปมองสิ่งไหนแล้ว จะเกิดความรักความชอบใจขึ้นมาในสิ่งนั้นติดถูกติดใจในสิ่งนั้นเรียกว่าติดกับของมานทางลูกหูได้ยินสิ่งใดถ้ามันเพาะชอบอกชอบใจดีนในเรื่องเสียงก็เรียกว่าจิตเป็นติดกับของมานอยู่ทางหูแจ้งูมกถูกกิน สิ่งที่หอมหวยทำให้ละลื่นชื่นใจอยากได้นิดติดใจชอบในเรื่องนี้ <Okay. S 1> จะเรียกว่าติดกับพองมารรถก็เหมือนกันถ้าไปได้สัมผัสรถอะไรที่รีนปากฏขึ้นมา ถ้าบอกเข้าใจคิดถึงเรื่องนั้นไม่เล้ว ไ, ไ, ไ, ไม่รู้แล้วรู้หัอยู่ใกล้อยูกกย่ไกลหรือราคาถูกแกงเท่าไหรจะต้องสแสวงหามาบำรุบงบำรุงเพียงแค่ลิ้นนิดเดียวลองคิดคิดค ด, ดูรถทิปาก ด, ดทิรินนิดเดียวแท้แต่แม้เราสแสวงหาแสนยากลำบากราคาจะมม่น้อยจะเท่าไหร่ไม่จะได้ เพราะไปติดกับของมารคือตรงริบตรงรถของรีนนั่นเองที่ปากกดสรมานี้เรื่องนี้จึงเคยเล่าให้ฟังมีวิชีคนหนึ่งคนหมอดังเล่าให้ฟังแม้วชีคนนั้นจกเก่งนี่สิจะรู้จักว่าแกติดกับของมารเคยติดมาแล้ว ถ้าวันไหนแกชอบอาหารแกอยากอาหารหิวมากวันนี้มันอยากเนื้ อ, อยากปลาแกไม่เอาทางเข้ากับเกลือกับพริกพอไปทังชีวิตเนเป็นไปลอาละวันนะั้นถ้าวันไหนแกอยู่เฉยไม่นึกอยากเนื้ อ, อยากปลาวันนั้นนแกก็หามาให้บรรทา ก็เรียกว่าเจตตามทันตามรู้ตัวมารพอได้ในภาวนาดีด้วยนะถ้าหากคนรู้เรื่องของมารอย่างนี้แล้วแน่นอนที่สุดทุกคนจะต้องภาวนาเป็นถ้าคนภาวนาไม่เป็นแล้วไม่รู้เรื่องของมารเด็ดขาดเห็นนั้นนีงว่ากับของมารไม่ใช่อยู่แต่เพียงว่าลรีนว่ากาย ที่สัมผัสถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่มันถูกต้องร่างกายของเรามันชอบเอาชอบใจอาจารย์กับติดอยู่เข้ากันยินดีพอใจรละลึกคิดได้คิดถึงอยู่เสมอยิ่งใจใชแล้วยิ่งไปกันใหญ่นึกชอบอะไรนึกพอใจในสิ่งใดโดยใจโดยติดชอบในเรื่องนั้น แต่ที่ต่านแสดงถึงเรื่องกัดเข้ามาในเตียงหา่าคือตาหูจมูกรีบไก่หรือลูกเตียงกินก่นรถโหดพพคิดคดิดแล้วพวกเรามานมันดักกลับไปรอบตัวเราเราเลยนอนนิ่งเฉยไม่รู้เรื่องรู้เราเลยแล้วอ ไม่ทราบวิติตตรงไห น, นตนัวต้องไหนแล้วล่ะพวกเราไม่ได้อยู่ที่อื่นจิตหลอกลวงตัวของเราแล้วเราก็ติดกับของมานแล้วก็ยินดีในวิสัยของมันเฉยด้วยพอใจที่สุดท่ mm hmm. นานแจ้งว่ายินดีพอใจในวิสัยของมนันคนพ่อนาเป็นที่เรารู้ทุกู้เรื่อง ท่านแสดงคู่ที่ท่านภาวนาเป็นรถอาหารท่าหากว่าท่านมีความรู้สึกนึกคิดได้พิจารณาเห็นโทษมันแล้วท่านดูพ่มาเปรียบไปอย่างนี้เหมือนกันก็นว่าแม่ลูกอ่อนเดินทางไกลไปสุด เกันดารอาหารจะรับปรทานก็ไม่มีถ้าหากว่าเราไม่กินไม่มีอาหารกินเราจะต้องตายหมดแล้วอาหารพระเจ้าจ ะ, จะเอาเอาที่ไหนมากินมองไปมองมาเราเห็ น, นแต่ลูกอ่อนที่อยู่ในอกอาหารนี่ถ้าหากเราไม่กินอาหารเราจะต้องตายวันพรุ่งนี้มะลืนลูกก็จะตายด้วยทย่านไงกัน เอาลูกในอกเขาถ้ามากินใช่เราจะแดงมละยืนยืนไปสี่ห้าวันต่อไปตะกลงเงินไม่ลูกอ่อนคนนั้นน่ะเอาลูกในอกของตนมากินเป็นอาหารเพื่อจะมีชีวิตนานต่อไปอีกเพื่อจะได้ข้ามด่านกันด่านได้แล้วถ้าอธิบายแบบว่าลองคิดดูไม่ลูกอ่อนในกินลูกของตนเองนั้นมันจะอร่อยอร่อยจะเท่าไหร่ ทั้งความรักลูกก็รักเอนดูลูกก็เอนดูทั้งเสียดายชีวิตต้องก็ต้องเสียดายแต่หากไม่กินแล้วก็จะต้องตายลูกก็จะต้องตายกินเน้อาหารเพื่อประทังยังชีวิตนะเปลียนไปจะได้เพื่อจะได้ข้ามด่านหนึ่งกันไดน้ท่านพุทมาเปรียบเนี่ยว่าอย่างนี้เหตุในในวัฏองหารต้องนอนในทางธรรมะพระพุทธเจ้าเน่จะเหวยงพระกิจอาหาร คือฉันอาหารพอเป็นยาสรมัดถ้าหากเรเห็นโทษของอาหารแล้วแน่นอนที่สุดที่จะต้องฉันอาหารเพื่อเป็นยาสรมัดถ้าไม่ฉันก็ห้อยหิวถ้าฉันเถอะหากว่าเราเป็นหลงรดของอาหารติดลดของอาหารก็จะเป็นกิเลสเกิดขึ้นมาอาหารเน่ยเลยกลายเป็นพิษ คือเป็นตัวกิเลสให้จิตชอบออกตต้ใจเหตุนั้นท่านผู้มีปัญญาท่านพิจารณาอาหารให้เห็นเป็นได้เพียงสักว่าเป็นหยาประมาทนั่นจะยังประทางชีวิตให้เป็นไปได้ในวันหนึ่งวันหนึ่งแต่ไม่ใช่ยังไปทางชีวิตให้เป็นไปเท่านั้นชีวิตยังมีอยู่ตราบใดเราก็จะได้สร้างคุณงามความดีไม่ใช่ว่าเราจะยังชีวิตให้มีอายุยืนนานอย่างเดียว ถ้าหาผู้ประมาทดังยังอายุยืนนานรั่วตายอยากจะบำรุงอาหารในส็ผภานใหม่ดีอันนั้นเป็นเรื่องของคนเมาผู้ที่เข้าใจในเรื่องธรรมะที่จะนาเห็นสั้งขานร่างกายเป็นภัยอันตรายและเห็นชีวิตเป็นของไม่มีค่าแต่เป็นการจำเป็นที่เจะต้องอาศัยมันจึงต้องฉันอาหารได้กินอาหารฐานอาหาร เพื่ออย่างประธางชีวิต เ, เป็นฝ่ายล้วจะได้สร้างคุณงามความดีถ้ามันตลอดลอดฝั่งเพราะคุณงามความดีนราเนยังไม่เพียงพอคล้ายๆกังก็ว่าเรายาเรือเพื่อให้ข้ามฝั่งปากพ้นฝักนว น, นถ้านาเรือไม่จะรั่วลมจมในกลางน้าตายเรือก็จะเสียหายคนก็จะต้องตายเพราะฉะนั้นเรียบรีบยาใช่ เยี่ยวยาพอยังไงก็พอไหวไปพอไปตลอดรอดฝั่งถึงฝั่งโน้นถ้าหาผู้มีปัญญาพิจารณาอย่างนี้อาหารมัเป็นไัยครับอาหารเป็นยาวเศษผู้ที่ท่านมีปัญญาพิจารณาเห็นอย่างนั้นแล้วท่านจะได้บอกคุณว่เขตตังเป็นนาบุญของโลก ชาวโลกผู้ใดได้ทําบุญกับท่านผู้เป็นเช่นนั้นได้บุญนักหนาดีกว่าที่ไปทําบุญกับคนมัวหมองประมาณคือให้ทานคนมัวหมองประมาณกินแล้วไม่รู้จักอิ่มจะพอกินแล้วไปติดรสดอาหารชอบโอเจ้าแต่รสอาหารไม่คุ้มค่าทหารเป็นปฏิฆาหกผู้ที่รับทานอาหารเช่นนั้นท่านเรียกว่า ยังเป็นหนีเป็นศิลนอยู่สมัยโบราณพวกเราก็พานเคยได้ยินคนที่บวชในรุ่นนั้นคนเท่าของแก่นั้นเคยเล่าว่าถ้าหากว่าบวชมาเป็นพระเป็นเนรฉันอาหารชาวบ้านโดยที่ไม่พิจารณาปฏิสังขยกตายเป็นควาย่็เป็นหนีหรอง สมกับคำยาธิบายเมื่กี้นี้คือเป็นหนี้เป็นศินเพราะกินแล้วไปติดรสอาหารฉันเลยอาจจะานแล้วไปติดรสอาหารงัวเมาไม่ใช่กินเพื่อบรรเทาทุกข์แล้วเพื่อจะได้สร้างคุณงามคนดีให้ไปตลอดรอดสั่งนี่ความที่ว่ายินดีตามวิสัยของมามันต้องเป็นอย่างนี้ วิสัยก็เป็นแรงงานในมารอันนี้คำว่ามารหากระดงอธิบายมาแล้วกลับของมารบ่วงของมารถ้าหากู่ใดไปติดอยู่ในวิสัยของมารห้าประกาศนี้คือว่ารูปเสียงกินรถโพธิัพหรือตาหูจมูกลิ้นกายนี่ก็ไปติดอยู่ในวิสัยของม า, ารติดบ่วงของมารไปไม่จะรอดรอดฟัง ท่านแสดงแต่เอนเนกชาที่สังสัณา์อนเนกชาที่สังทัณา์มีการเกิดการแเจการเจ็บการตายนับไม่ถ้วนอนเนกชาที่สังสาลังเวียนว่ายใต้เกิดนับไม่มีที่ไม่ถ้วนไม่มีที่สิ้ที่สุดฉันวางนั้น แน่นอนที่สุดถ้าหากกิเลสมีอยู่แล้วไม่มีวันทางคนจากทุกข์เลยก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดในตลอดเวลาพระพุทธเจ้ายังสอนอุบายทั้งหลายให้พวกเราเข้าใจคือให้อย่าไปหลงการหลอกลวงของจิตแล้วอย่าไปยินดีในวิสัยของมาร นี่ถ้าอาธิบายอย่างอาธิบายมายเรื่องตน้นอย่าไปหลงการหลอกลวงของจิตอย่าไปเชื่อจิตอย่างเดียวจิตของเราไปเชื่อยังไม่ได้กันหรอกมันจะให้ปัญญาทถ้าไม่มีปัญญาไม่รู้จักผิดจักถูกไม่รู้จักชั่วจาบดีไม่รู้จักการหลอกลวงหรือจริงของจริงม่รไปจากของ ของเทศจะไม่ได้จัดของเทศของเทียมไม่ได้จัดเท่านั้นต้องอาศัยปัญญาปัญญาจะเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยความสงบอาศัยความสงบอาศัยการฟังเพื่ออธิบายฟังนี่แหละให้เข้าใจทั้งเรื่องธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ศนาไว้แล้วก็ทําความสงบลึกให้ถึงสมาธิ จิตถึงสมาธิเราจะเห็นชัดเหยียดเรื่องการลวงของจิตจิตมันเป็นสมาธิแล้วมันไม่ลวงแล้วค่ะนี่มันโกงไปกงมาดิถ้าจิตไม่ไม่เป็นสมาธิหลอกลวงแล้วตลอดเวลาให้เรารุ่มหลงโม ม, ม อ, อยตลอดเวลาถ้าจิตเป็นสมาธิแล้วสงบแล้วอาการหลอกลวงไม่มีจิตกกงไปกงมาจึงจะถึงสัจจะธรรม เป็นทุกเป็นทุกจริงๆเห็นความสมงบเป็นสุขจริงๆเห็นความทะเออยอทะยานน้่ลนไปการเดือดร้อนแท้ทีเดียวที่เรียกว่าตัณหากลามาตัณหาภาวะตัณหายีภาวะตัณหาความค่าความพอใจยินดีทะุุแส้งกินรถไฟเป็นความเดือดร้อน ถ้าคิดมมไม่สงบไม่ได้จากความเดืดร้อนคือความไข่ความพอใจกับลูกไม่ว่าลูกตนลูกคนอื่นนะลูกจริงอื่นอะไรทนะัมม้งหมดอ่ะมันร้อนเลยเนี่ยถ้าเกิดความไข่ความพอใจยินดีขึ้นมาแล้วเกิดความร้อนวูบวาบขึ้นมาเล ย, ยนี่นายเรียกว่าทั้นหาเพาว่าทั้นหาความดิ้นล้นอยากเป็นอยากเป็นนั่นเป็นนี้วูบขึ้นมาเหมือนกัน ร่อนลูกขึ้นมาเหมือนกันเพราะว่าอยากไปนั่นแหละลองคิดคิดดูดิแล้วอยู่เฉยๆเนี่ยถ้าหากเรามีจิตเป็นนสงบเป็นสมาธิแล้วเย็นสบายสงบตัวแล้วไม่มีอะไรถ้ามีความอยากขึ้นมาอยากเป็นอันนั้นอยากเป็นอันนี้บูบขึ้นมาเลยร่อนลูกวาขึ้นมาพักถ้าไม่อยากเป็นอีกละ่ะ อยากไม่เป็นคือไม่อยากเป็นนั่นเองว่าพูดกันง่ายก็เรียกว่าไม่อยากเป็นอะไรทั้งหมดเขาเป็นแล้วก็ไม่อยากเป็นอย่างเขาถ้ามีแล้วก็ไมอยากมีอย่างเขาก็เป็นโกรร้อนเหมือนกันนี่เรียกว่าตัญหาเป็นเครื่องทะเยอทะยานตัญหาคือความทะเยอทะยานพูดกันง่ายมันไม่อยู่คงที่นั่นเองถ้าจิตสงบรู้ เรารู้เรื่องตัณหาถ้าหากอย่างนี้่าถ้ารู้เรื่องตัณหาแล้วที่เรียนนีน้เองเนี่ยจะไปรู้เลยให้รู้ตัวตัณหาใะก่อนคือความทะเยอทะยานนี่ก่อนความทะเยอทะยาน เ, เกิดขึ้นมาเนี่นั่นเนี่ยเป็นตัวกิเลสเป็นเครื่องร้อนผู้วางมันเราพยายามละโมนี้หละพยายามไม่เห็นตัวหมนี้หล่ะถ้าไม่เห็นตัวก็ละไม่ได้ไม่เห็นเท่าก็ไม่ทิงมันก็ไม่เบื่อหน่ายไม่มีการเบื่อหน่ายไม่มีการค้นจากมัน ถ้าไม่เบื่อหน่ายก็ไปยินดีกับตัญหามันก็เป็นมันก็อยู่ในวิสัยข้อมานอีกละยินดีกับวิสัยข้อมานอีกเนี่ยพระเดจเจ้าเรียนสอนเนี่เรารู้เรื่องตัวเนี้ยเรามาทําทานมารักษาศีลมาเจริญเมตตาภาวนาทํากรรมฐานไม่ใช่อื่นไกลเล ย, เลยต้องการหน้ากิเลสมือนี้แหะให้ลดจากตัวมานไม่ให้ยินดีตามวิสัยข้อมาน เพื่อจะเป็นการแชมละมาแล้วให้พ้นจากกองทุกข์ทำทานลองคิดดูสิเราเป็นคนยอมสละมีได้เราสละลงไปถ้ามีอยู่ปรากฏอยู่แล้วมันก็เป็นกังวลและห่วงในเรื่องนั้นพอเราสละพพทธภาพลงไปหมดห่วงยังเหลือเดีกผลคือความดีคือความดีใจความอิ่มใจ คนของการฉลักเนีย่ยในการฉลักคนเขามาเป็นไงถ้าหากว่ามันมีปลากฏดหรเปลเป็นพระวักโคนห่วงใหญ่ในเรื่องนั้นชอบออกเับใจยินดีเอาละไม่ใช่อื่นไกลแล้วแะเราคิดที่เดี๋ยวนี้กแล้วเปนอย่างง่ายที่สุดเราได้เนื้อได้ปลามาสักกิโลสองกิโลเนี่ยห่วงไหมล่ะ เอาไว้ไหนก็กลัวหนูกลัวแมวจะกินเนี่ยเราคิดคิดดูดิถ้าเราไปทำอ า, าหารอะไรให้มนุนำทานให้เด็กๆกินจะ้ะก็บหายไม่ได้ไปไหนกลัหอมอันมีเท่านี้อ่ะแล้วก็เห็นแค่เดยียวแล้วถ้าวัตถุจริงอื่นก็อย่างเดียวกันตามฐานะและตามความห่วงเป็นไปตามแมวไปตามวิสัยของมัน เหนั้นการทำทานจึงเรียกว่าเป็นการสละคือว่าเพื่อสละกลมหัวไม่ให้มันหลงตามวิสัยของมันยินดีตามวิสัยของมันย้ายจิตไปหลอกลวงการรักษาศิตก็ยเช่นเดียวกัน เรางดเว้นเด็กโคมชั่วที่เราเคยประพฤติอยู่ก็ดีหรือเรายังไม่เคยประพฤติก็ดีเรากําลังประพฤติอยู่ยนี้น่ะโคมชั่วต่างๆเช่นว่าข้าสารรักทรประพฤติผิวิม่ใชาจารย์เรากําลังทํามาอยู่สวรเนี้กล่าวขององค์บูาบาเดิมสุดจอย่เมาถ้าหากเราไม่เห็นเรื่องทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นโทษไม่ดีนิมาเมันก็ร้อนคือมาภายในจิตใจของเราก็ปรากฏ ไม่สบายครั้ น, นี้เราละทิ้งหละทํามาแล้วเราก็จะไม่ทําอีกหรือจะที่ยังไม่ทําก็ไม่ทำไม่ทำยี่เดือนนี้เราก็จะละเลยหมดห่วงสบายเย็นเลยนี่เรียกว่าเราเห็นโทษของมันยังค่อยละได้รู้จักหน่าจากตามันยังค่อยลาะนันได้เห็นโทษของมันเบื่อหน่ายยังค่อยทิ้งได้ถ้าหางเรายังไม่เสียใจแต่อยากมันอยู่ ไม่ว่าเอาไว้ที่หลังได้ก่อนเตื้อไว้ที่หนา้าได้ก่อนเตื้อะไรในความร้อนเนี่ยค่อยทําค่อยไปอะไรต่างความร้อนมันก็ยังมีอยู่นะเนี่ยความพลอยความร้อนความไม่สบายใจมันก็มีอยู่นั่นเองอย่างนี้เราต้องการความสบายใจต้องการความเย็นในเชิงความเย็นไว้ทําไมเะไรนั้นทั้งหมดทั้งหมดเรื่องนั้นไปริงทั้งหมดเรื่องมันก็สบายไปมันนี่การรักษาจีต หมดห่วงหมดกังวลเป็นการสลากยิ่งการชำระจิตใจของเรายิ่งเป็นของละเอียดถูกไปซะไหนจิตถ้าอย่าว่าท่สงตบตราบใดแล้วมันก็จะต้องยุ่งวุ่นเห็นท่อของความวุ่นเห็นท่อของความไม่สงบเห็นภัยในความวุ่นเห็นภัยในความไม่สงบแล้วเราจะต้องหาวิธีละทุกทุกวิธีทางสิ่งในเถาละได้แล้วอารมณ์ในที่เราละได้แล้วอารมณ์นั่นก็เป็นของเย็นลงไป อ่าเรยจะต้องรักษาไม่ให้มันกำเริบไปได้ขึ้นมาอีกทิ้งนะไม่ใช่ว่าลาแล้วเราทิ้งแล้วเราไม่เอาเราไม่ต้องคํานึงขึ้นมาอีกอันนั้นไม่ได้อาจสามารถเยียดฟื้นฟูกลับขึ้นมายิงลายเก่าได้ความโลภความโกรธเกิดขึ้นมาเราเห็นโทษเราลามันได้ชนะมันแล้วที่หลังแล้วปล่อยละไม่ต้องละ ไม่จองคำหนึงคิดถึงมาแล้วเรื่องทั้งหลายนะไม่ต้องพิจารณาอีกและไม่ได้มันกลายมาที่หลังยิ่งจะร้ายกายเก่าเก่าเจคบุคคลท่านพุทธเจ้าต้องปฏิเทศหนาว่าเสื่อมได้เหมือนกันถ้าไม่คิดถึงจิตไม่พิดคำหนึงถึงจิตไม่ปรารบถึงจิตที่เราล่ะแล้วเสื่อมได้เหมือนกัน ความที่คิดเกยียดคิดขัดไม่พยายามทำงานทำความเพียรทิดต่อมันก็เสื่อมได้มือนกันการครุทีด้วยหมูด้วยคณะหรือประกอบการงานยินดีกับการํำงานเสื่อมได้เหมือนกันผู้ที่ได้เจ้าบุคคลถึงแม้จะเป็นข้าเดีเจ้ากระต่างชั้นต้นเสื่อมได้ เหตุนั้นถึงแม้ว่าจะละได้มากได้น้อยก็อย่าได้ไปทอดทิง้งเรื่องที่เราดําเนินมาแล้วมันละได้โดวยวิธีนี้อย่างนี้แล้วก็พิจารณาอยู่อย่างนั้นดําเนินด้วยอย่างนั้นอย่าทอดทิง้งสิ่งที่เราละนั้นล้วเราจะต้องเอามาปาราลบันมาคิดพิจารณาอยู่ตลอดเวลาอันนี้โทษให้มันเห็นโทษเห็นภัยเข้ามันเป็นของนาเบอร์หน่ายอย่างนี้อย่างนี้ แล้วเราก็จะต้องปาลารบนั่นน่อยู่ตลอดเวลาถึงจะละได้น้อยได้มากก็ยังเป็นคุณประโยกหากว่าเราไม่คำนึงรือไม่คิดถึงเรื่องนั้นไม่เอาเรื่อ ง, องนอ้นปาลารบอีกเราทาแล้วทิ้งเลยละแล้วทิ้งเลยไม่เอาอะไรอีกอันนั้นใช้ไม่ได้เสื่อมได้เหมือนกันนี่แหละอธิบายมาถึงเรื่องจิตหลอกสัตว์คือตัวเรา มีในอธิบายมาโ ด, ดยอธิโ ด, ดยลำดับในกอธิบายมาเนี่ยถ้าหากมันหลอกเราแล้วเราวพลอยไปยินดีกับความหลอกของมันอีกหรือติดในความหลอกของมันอีกชอบใจในความหลอกความหลง อ, ล อ, ล อ, ล อ, ลอนั้นจึงเป็นเหตุที่เรากเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายนับพบนับฌานไม่ั่วเพราะฉะนั้นพระเดเจ้าวยังสอนให้เรามีสติเมื่อจะ เห็นโทษเห็นภัยได้จะชำระตัวกิเลสนี้ได้เรื่องไม่หลงตามวิสัยเข้ามาก็ต้องอาศัยความสงบแต่ก่อนพอสงบแล้วจึงค่อยเห็นตัวมารไละเห็นอุบายวิธีการหลอกลวงเขง้ามาเราจึงไม่หลงตามวิสัยเข้ามาจึงจะไปนั่งทางเป็นไปบนกคนจากทุกข์อธิบายมาในธรรมะในวันนี้ก็สมควรด้วยกาเวลาด้วยประการนี้ Thank you.